เรื่องหญิงคนหนึ่งยัวจิตพระเทระให้หลงพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภหญิงนครโสเพนีคนหนึ่งดังได้สดับมาภิกษุรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานแล้วเข้าไปสู่ป่าแห่งหนึ่งเจริญสมณธรรมอยู่มีหญิงนครโสเพนีคนหนึ่งนัดแนกกับบุรุษแต่ไม่พบตามนัด แต่ไปพบพระภิกษุกำลังนั่งเจริญสมณธรรมอยู่คิดว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันกระสานแล้วไปยืนอยู่ข้างหน้าพระเทระนั้นเปลืองพะนุ่งแล้วกลับมานุง่งกลับไปกลับมาบ่อยๆสยายผมแล้วกล้าปรบมือหระซิกซีความสลดสังเวชเกิดขึ้นกับพระเทระแล้วแผ่ซ่านไปทั่วสบรีระท่านคิดว่านี่เป็นอย่างไรเนาะและ พระศาสดาทรงประทับอยู่ในกันทักุดีทราบยุรยาอนาจารของหญิงนั้นทรงใช่ฤทธิ์แสดงธรรมแก่ภิกษุนั้นคือไม่อยู่คนละที่แต่เมื่อตรัสออกมาแล้วภิกษุนั้นก็จะได้ยินนะครับภิกษุที่ที่อันไม่เรื่อนรมของพวกคนผู้สแสวงหากรมนั่นแหละเป็นที่เรื่อนรมของผู้มีราคาปราศจากแล้วทั้งหลายทรงตรัสพระคาถาว่า ทั้งหลายเป็นที่น่ารื่นรมท่านผู้มีราคะไปปราดแล้วทั้งหลายจากยินดีในป่าอันไม่เป็นที่ยินดีของชนเพราะท่านผู้มีราคะไปปราดแล้วเหล่านั้นเป็นผู้มีปกติไม่สแสวงหากรรมอธิบายชนผู้สแสวงหากรรมดุดมแมลงวันบ้านไม่ยินดีในป่าบัวหลวงแต่ผู้มีราคะไปปราดแล้ว คือผู้ปราศจากราคะแล้วดุจแมลงผู้มแมลงพึ่งย่อมยินดีในป่าบัวหลวงฉะนั้นเพราะปกติผู้มีราคะไปปราดแล้วไม่สแสวงหากามในการจบเทศนาพระเทระนั้นนั่งแล้วตามปกตินั่นแหลบรรลุอรหัดพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายมาด้วยอากาศถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระศาสดา นักขันตะ ก, กูดีแล้วดังนี้ละ